134ในฝันก็คือหลับตาทมสมาธิกับมีแต่ตรึกค้นคิดยุคการ 2,600 กว่าปีผ่านมาแล้วยุคที่เจ้าชายสิทธถาถะอุบัติขึ้นมานั้นสังคมมีแต่เจโตสมาธิเมดิเทชันเท่านั้นที่เป็นผล รู้จักหลักการก็แต่การปฏิบัติบําเพ็ญฝึกฝนบังคับตนด้วยทุกกรกิริยาต่างๆเป็นการปฏิบัติภายนอกและปฏิบัติภายในก็มีแต่วิธีหลับตาสะกดจิตเมดิเทชันเป็นหลักการปฏิบัติปฏิปทายังไม่มีหลักปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขา หรือจารณะสัมปันโนจารณะสิบห้าวิชาแปดหรือไม่มีหลักปฏิบัติโพธิปักเขียธรรม37ที่มีพร้อมสติปัฏฐานสีสัมมปทานสีอิทธิบาทสีอินสี 5, าหา่ห้าพละห้าพชอชงเจ็ดมรรคแปดที่จะเกิดสัมมาสมาธิ ซูปราคอนเซนเทรชันยังไม่เคยรู้จักแม้แค่ได้ยินได้ฟังคำว่าสัมมาสมาธิซุปราคอนเซนเทรชันมาก่อนเลยเพราะเป็นเรื่องใหม่อินโนเวชันทริสีใหม่อินโนเวชันสมาธิแบบใหม่อินโนเวชัน เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยมีในสังคมโลกยุคนั้น innovation เพราะมันเป็นสมาธิแบบพิเศษเฉพาะของศาสนาพุทธเท่านั้นาศาสนาอื่นใดไม่สามารถมีได้ซึ่งเป็นสมาธิที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงตามความเป็นจริงสามมาสมาธิเป็นสมาธิอีกแบบ ไม่ใช่สมาธิสามัญทั่วไปที่จมอยู่แต่ในฝันและเป็นสมาธิที่รู้อยู่ในพวังเท่านั้นอันแค่รู้เพียงสัญญากำหนดรู้ได้แค่ภายในที่มีรูปภาพจอนอรูอรปภาพจรเท่านั้นสมาธิเมดิเทชันไม่มีความรู้ ที่สามารถรู้ครบความรู้ที่เรียกว่าปัญญาปัญญินีปัญญาพละเพราะไม่มีธรรมวิจัยสมโพ์ชงเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิเพราะไม่มีองค์ทั้ง8ดแห่งมรมรคังคังตามแบบสัมมาสมาธิสุปราคอนเซนเทรชั่น ซึ่งไม่มีเริ่มจากกามาวาจรเป็นขั้นต้นแล้วจึงจะรูปาวาจรเป็นขั้นกลางและรูปาวาจรเป็นขั้นปลายไปตามลำดับจึงเป็นสมาธิที่จมอยู่ในฝันมีได้แค่การระลึกได้สติการนึกตักกีการค้นคิดวิมังสีเอาในพระวังเท่านั้นขั้นเดียว อยู่แต่ภายในนั่นแหละสมาธิที่มีแต่ในฝันและการตรึกนึกคิดเอาตา ก, กีการค้นคิดวิมังสีมีได้เท่านี้